ปิดหมดเลยุพ อ, ม, อมีไฟเเราก็ได้มาพักรพร ท, พที่วัดพระธาตุดอยภาคพันธที่จังหวัดห้วยทรายแฝงบ่อกแก้วประเทศลาวนะด้วยความบังเอิญ น, นะด้วยความบังเอิญที่เดิน ก็มาเจอท่านแห่สวรรค์นนที่เพอรอะไรนะเนาะเรื่เชียงของเพอรเชียงของนะก็การทางที่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเนาะว่าจะมาฟังราวไม่ได้คิดว่าจะข้ามมาเดินเดินมาก็เจออย่างที่เพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะมันก็มันก็เป็นคาร เจอกันโดยไม่ได้นักหมายหรือว่าถ้าจะพูดไปเหมือนคล้ายๆความน่าจะเป็นเหมือนก็น้อยมากๆที่จะเจออแต่มันก็มาเจอกันหรือที่จริงหลายเรื่องราวในในชีวิตเราอาจจะมีสิ่งที่เหมือนสิ่งที่เรียกว่าบังเอิญนะบังเอิญที่มาเจอหรือว่าถ้าเทียบตามสถิติแล้วความน่าจะเป็นมันมันน้อยมากๆ มันแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์ก็ได้นะศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดเท่าไรไม่รู้นะมันมันน้อยมากๆแต่หลายๆคขาเราก็เคยเจอนะอย่างเคยไปพม่ากับอาจารย์ตุ้มทนหญิงนะก็ไปเจอวัดที่มีพระไทยจากจากเมืองนั้นอาจจะมีวัดเยู่เป็นหมื่น มีพระไทยอแค่สองรูปในตรงนั้นแต่เราก็เพงเอินไปเจอพอดนะีมันก็มีความเมือเอินในหลายเรื่องราวนี้ในชีวชิตของเราครับนเะมื่อเอินเจอกับสิ่งที่ดีนะเราก็เรียกว่าโชคดีเหนะมือนบางคนซื้อลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่นี่ก็โอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนี้ก็ ก็ อ, อยากมากแล้วก็ถูกบางคนก็ถูกก็แต่ดีหนะซื้อหวยก็คล้ายๆกันนะมันก็เป็นความบังเอิญหรือว่าเวลาเราจับฉลากของผันหรือว่าจับฉลากเข้าโรงเรียนนะบางทีมันก็อาศัยอาศัยดวงนะอาศัยดวงเข้ามาช่วย วควาบังเอิญบางคนก็จับได้ราวันที่ใหญ่หรือจับแล้วก็สามารถเข้าได้บางคนก็ไม่ได้พวกเราก็เลยพี่อคินทีเราก็เรียกความบังเอิญในด้านที่ดีเราก็เรียกว่าโชคดีหรือว่าดวงดีแต่ถ้าบังเอิญในด้านที่ไม่ดีนะเช่นชีวิตเราก็หมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิต อย่างปกติธรรมดาแต่พอเอิ้เกิดประสบอุบัติเหตุเนเส้นะเลือนในสมองตีหรือเส้นเส้นเลือนในสมองแตากก็กลายเป็นจากคนปกติธรรมด า, าก็กลายเป็นคนอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเสียชีวิตไปบางทีบางคนเดินอยู่ดีๆนะของตกมาจากงานก่อสร้างถูกศีตัะ ก็ตายก็มีหรือว่าบาดเจ็ดก็มีบางทีเราก็เรียกไอ้ความบังเอิญในด้านที่ไม่ดีเรียกว่าโชคร้ายหรือว่าดวงไม่ดีบางทีเราเราพูดคำว่าการได้พบเจอกับอะไรนะที่มันเป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าเป็นไปได้น้อยมากนะถ้าเป็นไปในด้านที่ดีเราก็เรียกว่าเราโชคดีนะถ้าเป็นในด้านที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าเราโชคร้ายนะ <c oughs> ก็มีมีการเอาเอาคำพูดหรือว่าเอาความรู้สึกมาผูกกันแบบนั้นแต่ถ้าในทางในทางพุทธศาสนาแล้วคำว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายหรือว่าดวงดีดวงร้ายนี่มันมันอาจจะมิมันคงไม่ถูกเลยทีเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องของพุทธศ า, ธศาสนาเชื่อเรื่องเหตุปัจจัยเชื่อเรื่องเหตุปัจจัย เหตุก็คือว่าทำทาอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรอยู่ก็เลยได้ผลนะได้ผลแบบนี้นะ <c oughs> เป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะ <c oughs> เหตุปัจจัยทาแบบนี้ก็เลยเกิดผลเช่นนี้นะ <c oughs> ถ้าเราไม่เดินทางมาที่เชียงของเราก็อาจจะไม่เจอท่านแท่สวรรค์ <c oughs> ใช่หมหรือว่าในขณะที่เราเดินทางในการ พระดวงครั้งนี้ก็เจออย่างเช่นคุณสักดาก็เจอไม่รู้กี่ครัง้งกี่ครานะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เขาก็เกือ้อกูลเราส่วนหนึ่งเราก็เกือ้อกูลเขาให้เขาได้ไ ด, ได้ทาความดีด้วยนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ที่เรียกว่าเราคงมีอะไรที่สัมพันธ์กันมาก่อนใช่ไหมถ้าเราไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยกรรมก่อนเช่นอย่างท่านแท ถ้าไม่เคยจำภาษามา ก, ก่อนถ้าไม่เคยรู้จักกันมา ก, ก่อนเจอกันก็ก็ผ่านกันเนะี่ยผ่านกันเหมือนกับคนทั่วไปที่เราก็ผ่านผ่านแล้วก็ไม่รู้จักไมไ่ทักทายไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่เนื่องจากเรามีเหตุกันมาก่อนนะเนี่ยเมื่อมาเจอกันมันก็เลยส่งผลต่อไปเนะี่แต่จริงเหตุนี้ถ้าจะเรียกชนิพทีหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็น เป็นบุพ ก, กรรมหรือว่าเป็นกรรมเก่าที่ที่เคยมีกันก็ได้น ะ, นะเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้ได้พบเจออะไรเนี่ยนะจะเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นด้านดีหรือว่าด้านไม่ดีนะก็ที่จริงมันก็เป็นเรียกว่าเป็นกรรมเก่าก็ได้นะเป็นสิ่งที่เราได้ทากันมาก่อนไม่ใช่แค่เราเท่านั้นอาจจะเป็นคู่ตรงข้าด้วยที่ได้ทำกันมานะ ก็เรียนมาประสบพบเจอกันแต่จริงกรรมเก่าหรือว่าเหตุปัจจัยนะที่เป็นเบื้องต้นนี่มันก็เป็นเพียงแค่จุดหนึ่งนะแต่จริงเราก็ยังมีกรรมใหม่ที่เราสามารถตัดสินใจที่เราสามารถเลือกได้เช่นเราเจอเราเจอท่านแฮรหรือว่าเราเจอใคร แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเจอแล้วก็ก็แค่ทักทายแล้วก็จากกันไปหรือว่าเราเจอแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินทางร่วมกัน <c oughs> ทางหนึ่งลันก็เป็นเส้นทางที่เราเลือกอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมใหม่ที่เราได้ทำเนี่ยได้ทาร่วมกันกรรมเก่าทำให้ได้มาเจอกันแต่กรรมใหม่นี่คือการที่เราได้เลือกที่จะเดินทางต่อกันนะหรือว่า ที่จะสร้างสร้างกรรมหรือว่าตัาง้งสร้างผลให้เกิดขึ้นใหม่อย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นกรรมใหม่ที่เราเลือกหรือเช่นบางคนสมมุตนะิเป็นมะเร็งเกิดขึ้นนะมันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือเหตุปัจจัยในอดีตนะที่เคยทําเช่นไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ทําให้เกิดส่งผลเป็นมะเร็งแต่เราก็สามารถสร้างกรรมใหม่ นะเช่นนะบางคนอาจจะสร้างกรรมใหม่โดยการไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มะเร็งมันรามแล้วก็ไม่ก้อรักษาอันนี้ก็เป็นกรรมใหม่ที่ทําเหมือนกันหรือบางคนก็สร้างกรรมใหม่โดยการรักษาด้วยวิธีนั้นวิธีนี้นะหาหมอ น, นั้นหาหมอ น, นี้ น, นี่ก็เป็นการสร้างกรรมใหม่เช่นกันนะนะอันนั้นที่จริงกรรมเก่ากับกรรมใหม่เนี่ย เป็นกรรมที่ส่งผลซึ่งกันและกันนะสงผลซึ่งกันและกันถ้าจะแยกง่ายๆหรือพูดง่ายๆก็ได้คือกรคำเก่าเนี่ยเราเราไม่สามารถเลือกได้นะต้องเจอกับเรื่องราวในชีวิตอย่างไรนะด้านดีบ้างด้านไม่ดีบ้างหรือต้องเจอกับผู้คนนะต้องเจอกับเหตุการณ์ต้องเจอกับสิ่งต่างๆซึ่งเรา เรารู้สึกว่าบางทีเราเลือกไม่ได้นะมันมันเกิดขึ้นมาของมันเองแต่ที่จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยหรอกมันเกิดเพราะมันมีกรรมเก่ามันมีเหตุปัจจัยในอดีตที่เคยสัมพันธ์กันเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันนี่ยถ้าพวกเราไม่เคยทํากรรมร่วมกันมาก่อนมันก็มันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมอยู่ในวัดหรือในสำนักเดียวกันหรือแม้แต่บางคนอยู่ในวัดอยู่ในสำนักเดียวกัน แต่ถ้าไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่ในการสัมพันธ์ในการเดินทางด้วยกันมันก็ไม่ได้มาเดินทางด้วยกันเช่นนี้ใช่ไหมเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้มาเดินทางด้วยกันเช่นนะี้มันก็เป็นกรรมในอดีตที่จัดสรรกรรมก่อนนะจัดสรรกรรมส่วนหนึ่งแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดถ้าไม่มีกรรมใหม่ในปัจจุบันที่ที่เราเลือกที่เราตัดสินใจที่จะ ร่วมเดินทางด้วยกันอันนี้ก็เป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างร่วมกันอันนั้นที่จริงกรรมเก่ากับกรรมใหม่นี่มันมันสัมพันธ์กันอย่างมากนสัมพันธ์กันอย่างมากนะแต่คราวนี้มันก็หลักสำคัญเลยอาจจะอยู่ที่ว่าเราเราทำกรรมใหม่อย่างไรนี่อาจจะสำคัญกว่าว่าเราทำกรรมเก่าอย่างไรนะบางคนมคักไปคิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วก็ไปโทษแต่เรื่องกรรมเก่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าประสบเคราะห์ร้ายาต่างๆก็ไปโทษแต่เรื่องกรรมนะหรือว่าพยายามที่จะไปแก้กรรมหรือพยายามที่จะไปล้างกรรมที่เคยทําในอดีตแต่จริงพุทธศาสนาไม่ได้สอนเช่นนั้นเลยนพุทธศาสนาสอนอให้เรา สร้างกรรมใหม่ในทางที่ถูกในทางที่ดีนะกรรมเก่าจะมีจะสร้างอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแท้จริงหรอกถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีอภิญยานะะรึกชาติได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าที่จริงพร้จ้าท่านบอกไว้เลยว่าเรื่องกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องอจินไตนะ่เป็นเรื่องที่เกินกว่าการคิดหรือนึกได้ ว่าเราทําอะไรถึงได้ผลเช่นนั้นแต่ที่จริงถ้าเราแค่ดำลำดับเรื่องราวตามเหตุตามปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยเรื่องกรรมก็จะไม่ใช่เรื่องของอดีตชาติเท่านั้นแต่จริงมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เราได้สัมพันธ์กันเนาะแต่นั้นก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าซึ่งก็ผมไม่ต้องอธิบายมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างกรรมใหม่นะการสร้างกรรมใหม่ มันกรรมใหม่นี่เป็นครรมที่เราสามารถเลือกได้นะบางคน เ, เรียกว่ายอมรับ เ, เรียกว่าจนจำนงต่อโชคชะตาแล้วก็ไม่ผลฝ่ายที่จะสร้างกรรมใหม่ในทางที่ดีหรือไม่สร้างกรรมใหม่ในการแก้ไขสิ่งที่ประสบพบเจอในด้านที่ไม่ดีแล้วก็เรียกว่านิ่งดูดายแล้วก็หรือว่าหมดกำลังใจพวกนั้นก็จะเป็นคนที่เรียกว่า ชีวิตก็จะมีแต่ตกต่ำชีวิตก็จะมีแต่เรียกว่าไม่เจริญเพราะาอะไรงอมืองอเท้านะไม่พัฒนาเหนะมือนคนเหมือนคนเช่นสมมติคนจนนะถ้าเขาขี้เกียจต่อไปหรือถ้าเขาเรียกว่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาก็จะไม่เกิดความเพียรไม่เกิดมานะในการขยันหรือว่าในการประกอบอาชีพโอกาสที่จะ มีฐานะมากขึ้นก็เรียกว่าแทบจะเป็นสูนนะเพราะว่าไม่ได้สร้างกราใหม่ในทางที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเหมือนกับหลายๆคนนะมักจะอ้างว่าเพราะเรามีกิเลสมากเราก็เลยไม่ปฏิบัติธรรมดีกว่าหรือว่าเราก็ไม่เข้าวัดไม่บวชหรอกรอให้หมดกิเลสก่อนเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมรอให้หมดกิเลสก่อนแล้วค่อยบวชนะ อันนี้ก็เป็นข้ออ้างนะการจะหมดกิเลสได้โดยการที่อยู่ชิดเฉยนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมเ้ยเพราะนั้นเขาก็เรียกว่าถ้าเขาใช้ความคิดเช่นนี้เป็นตัวตัดสินเนี่ยชีวิตเขาอนาคตก็เรียกว่าโอกาสที่เขาจะได้ปฏิบัติธรรมโอกาสที่จะบวชเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่มีเลยนะเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตหรือว่าใช้ความคิดเช่นนี้เป็นการดาเนินชีวิตน ะ, นะเพราะจะจริงเรา ไม่ได้สร้างกรรมใหม่ในทางที่ที่ควรนะมันก็เลยทําให้ชีวิตเราก็เรียกว่าตกต่ําไปเรื่อยๆหรือว่าจมไปเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเรียกว่าสร้างกรรมใหม่นะสร้างกรรมใหม่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีนะเปรียบเหมือนคล้ายๆกับําน้ํานะเสือแม่น้ําที่มันไหล าตามธรรมชาตาิตามกำลังของแรงน้ำมันก็ไหลคดโคง้งไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่มีปัญญาคืออะไรผู้ที่มีปัญญาก็คือผู้ที่เรียกว่าสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่มันไหลตรงนั้นบางคนก็มีการขุดคลองให้น้ำจากลำาธารธรรมชาติไหลผ่านคำโค้งไหลเข้าสู่ลำคลองที่ขุดขึ้น เข้าไปสู่เลือกส่วนในนาของตอนเองอันนี้ก็คือการสร้างสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะเหตุปัจจัยหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้จักเลือกเลือกใช้เหตุปัจจัยนั้นทำให้เรียกว่าได้สร้างคุณประโยชน์มากขึ้น คุณประโยชน์อาจจะเป็นทั้งเรื่องของของทางโลกก็ได้นะทําให้เราได้มีความรู้นะจากการที่ได้พบเจอกับคนที่เก่งกว่าเราอันนี้ก็เราก็ได้ใช้ประโยชน์จากเขาแต่ถ้าสิ่งที่มันจะดีขึ้นมาคือว่าเราสามารถนะเรียนรู้นะให้เราเกิดการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้าง ตั้งกรคำใหม่ที่ดีด้วยแล้วก็เป็นการตั้งกรรมงฐานในการที่จะไม่ทุกข์ใจหรือว่าในการที่จะเข้าใจความจริงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะก็คือว่าเรากรคำเก่าหรือว่าส่งเหตุปัจจัยจะส่งผลกับชีวิตของเราเช่นไรเนาะแต่เราก็มีปัญญาในการยอมรับความจริงนะเออแม้เราจะเป็นโรคมะเร็งเออ เราก็ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถที่จะยอมรับความจริงได้แล้วก็ไม่ต้องทุกไปกับมันหรือบางคราวเราต้องเจอกับการพัดภาคสูญเสียจากของรักจากคนรักนะหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเราก็มีปัญญาที่จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันมีเหตุมีปัจจัยเช่นนีนะ้แล้วก็มีปัญญาในการยอมรับความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนี้เนา ะ, ะเราพบเราเราพบก็เพื่อภาคันทั้งนั้ น, นไม่ได้พบเพื่อที่จะผูกพั น, นพบแล้วก็ทําใจพร้อมที่จะภาจากกันไปด้วยเพราะเรามีมีใจในการยอมรับความจริงเช่นนี้เนาะเมื่อมีการพัดพาส่วเสียไปเราก็ไม่ทุกใจใช่เราก็ไม่ทุกใจเพราะว่าเราเข้าใจความจริงแล้วว่า ธรรมดาของชีวิตธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นอันนี้คือเราเราสร้างกรรมใหม่ในทางใจก็คือว่าทําใจในการยอมรับความจริงทําใจในการปล่อยวางในตอนนี้คือเราสามารถสร้างสร้างกรรมทางใจตรง น, นี้ได้เช่นกันเนาะอันนั้นที่จริงกรรมถ้าจะว่าจริงจริงกรรมมันอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือทางภายนอกก็คือการกระทำํำ ทางวาจาหรือว่าทางกายกรรมนะแล้วก็กรรมอีกส่วนหนึ่งคือกรรมทางใจนะก็คือการวางใจเหมือนอย่างที่พระอาจารย์วิสารมักจะพูดในหลายครั้งหลายคราวท่านบอกว่าคือเราก็ต้องทํากิจนะกิจไหนที่ที่พึงทํานะก็คือมีการกระทําลงไปในทางที่ควรในทางที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีเราก็ต้องทํา ตรงนั้นก็ได้ด้วยใจส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำใจของเราด้วยนะในการวางใจในการที่จะยอมรับว่าแม้สิ่งที่เราทำไปแล้วแม้จะเป็นความตั้งใจดีขนาดไหนแต่เราก็ต้องทำใจด้วยว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดมันจะประสบความสำเร็จหรือว่าอาจจะล้มเหลวก็ได้นะเราก็ต้องทักใจยอมรับความจริงตรงนั้นด้วยเหมือนเราทำความเพีย ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะเราก็ทําเราก็ทําหน้าทีนะ่ตามเหตุตามปัจจัยเต็มกําลังความสามารถแต่ก็มีแต่ก็ไม่ีใครรู้หรอกว่าในชาตินี้เราจะเป็นพระราหันหรือไม่เราจะบรรลุธรรมหรือไม่เราก็ไม่รู้เนาะแต่สิ่งที่เราควรที่ทําคือเราเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยก็คือเรา พยายามสุกผลตนอยู่เสมอแต่ผลจะสําเร็จจนถึงขั้นตามที่เราตั้งใจหรือว่าเป็นตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่เราไม่สามารถรู้ได้นะบางทีอย่างสุภายสิดจริงก็ยังบอกว่าความเพียรเป็นเรื่องของคนความสําเร็จเป็นเรื่องของฟ้าคนเราก็มีหน้าที่ที่จะทําความเพียรตามเป้าหมายของเรา ตามจุดหมายในชีวิตของเราเราก็ทําความเพียรเช่นนั้นความสําเร็จมันอยู่ที่ฟ้าจะได้คิดให้แต่ถ้าถ้าในทางพุทธศาสนาจริงคําว่าฟ้านี้อาจจะคือเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยมันสมบูรณ์พร้อมนะั่นนะมันถึงจะเกิดผลสมบูรณ์เนาะมันคงไม่ใช่ฟ้าที่เกิดจากพระเจ้าหรือว่าเทพดนบันดาลให้หรอกแต่จริงถ้าเหตุถ้าปัจจัยมันสมบูรณ์ มันพร้อมแล้วมันก็ค่อยเกิดผลของมันเองนะคล้ายๆกับผ ล, ลไม้เนาะผ ล, ละไม้เราสังเกตบางอย่างมะม่วงเนะี่ยเราสังเกตก็ได้เพราะมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองเราบางปีมะม่วงมันก็ออกด อ, อกออกผลเต็มบางบางปีนมะม่วงออกดอกเต็มต้นแต่พอถึงคราวจะออกออกผลนี่เหลือ น, นิดเดียวก็มี ใช่ไหมแต่บางปีนี่ก็ออกดอกออกดอกก็เยอะออกผลก็เยอะมันก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดจากดินฟ้าอากาศเกิดจากเรียกว่าความสมบูรณ์ของของน้ําต้นก็ได้นะบางปีนี่สวนคนอื่นนี่ออกเยอะแต่ส่วนของใก ล, ใกล้ใกล้กันอาจจะไม่ออกก็ได้มันก็มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่สําคัญกันไปเนาะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็เช่นเดียวกันน ะ, นะ ถ้าเราย้อนกลับมาหาเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราเองนะเราก็ทำความเพียรของเรานะ่ะอย่างเต็มที่นะอย่างสุดความสามารถนะนะแต่เราก็ต้องวางใจในการที่จะไม่วังผลกับมันด้วยนะผลมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราทำเหตุถูกผลมันก็เกิดขึ้นของมันเองนะแต่บางทีผลที่มันจะสาเร็จถึงขั้นสูงสุดถึงที่สุด มันก็ต้องรอเหตุปัจจัยให้มันพร้อมทั้งหมดแหละมันค่อยไปถึงนั้นเราก็ต้องวางใจขณะที่ทำความเพียรด้วยนะเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่พร้อมกับการวางใจในการที่จะออไม่ไปกังวลถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนั้นนี่พุทธศาสนาจนะจะสอนเรื่องเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเป็นอย่างยิ่งอย่างตอนแรกที่พูดคาว่า บังเอิญ น, นะมันก็เป็นมันเป็นก็เป็นเพียงแค่ภาษาที่ที่พวกเราใช้นนะที่จริงมันก็เป็นเรื่องราวของเหตุของปัจจัยที่ทําให้เราได้พบกันนะหรือจะพูดคําว่าโชคดีโชคร้ายหรือว่าดวงดีดวงร้ายนะอันนั้นก็เป็นแค่ความรู้สึกนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอะไรที่ เรารู้สึกว่ามันเป็นด้านที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีหรือว่าดวงดีอะไรก็เป็นที่ที่มันเกิดขึ้นในด้านที่เราว่ารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วก็เรียกว่าโชครนะ้ายหรือว่าดวงไม่ดีนะะฉะนั้นโชคหรือว่าดวงนี้มันเป็นความรู้สึกของเราเองนะอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ต่อจากนั้นแล้วนะถ้าเรามีปัญญาคราวนี้เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่า สร้างกรรมหรือว่าแก้กรรมในทางที่ถูกก็คือการที่เรานะตั้งสติแล้วก็ใช้การตัดสินใจหรือว่าใช้การกระทําใหมนะ่เป็นการสร้างกรรมใหม่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่าเราเจอกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตแต่ถ้าเรามีสติเรามีปัญญาในการที่จะตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดี หรือว่าเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้นในทางที่ดีในทางที่ควรเนี่ยคือการสร้างกรรมใหม่ของเรานะแต่ขณะที่เราสร้างกรรมเราก็ต้องวางใจด้วยว่าบางทีการสร้างกรรมใหม่อาจจะประสบกับอุปสรรคอาจจะประสบกับความยากลำบากหรืออาจจะเจออะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำแล้วทำเต็มที่แต่มันไม่สำเร็จมันก็ไม่เป็นไรเพราะวถือว่าเราได้พยายามสร้างกรรมใหม่แล้วนะ พร้อมกับการวางใจด้วยว่าเออเออมันยังไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรอันนี้คือคือเรื่องราวที่ที่อยากจะแบ่งปันเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะพูดเป็นเรื่องของนา ม, มาธรรมแต่พายายามพวกเราอาจจะลองเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในชีวิตของของเราดูเนาะว่ามันก็คงเจอเรื่องราวเช่นทานองนี้อยู่บ่อยๆในชีวิตของเราแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้เรามั่นใจว่าเออ การกระทำนี่แหละมันจะเป็นการสร้างกรรมใหม่ในทางที่ถ้าเราตั้งใจที่จะทำความดีการกระทำของเราเนี่ยแหละมันจะพาเราไปสู่ทางที่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการวางใจด้วยนะในการวางใจในการที่จะทำความเพียรให้เต็มที่แต่ก็มันจะเกิดผลทาเนี่ยหรือไม่เราก็ต้องวางใจด้วยว่าเออมันก็เป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะ มันไม่ใช่เรื่องของอัตราไม่ใช่เรื่องของความต้องการของเราที่มันจะไปกําหนดอะไรได้ดังนั้นการใช้ชีวิตตามในการรู้รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยเนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญเนาะมันจะทําให้เราไม่เป็นผู้ที่เรียกว่าไปหลงในเรื่องของโชคของชะตาของดวงอะไรต่างๆแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวของของกรรม ที่เคยกระทำกันมาเช่นนั้นแลวอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อเกิดกรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่งอมืองอเท้าหรือว่าไม่ไปหวังพึ่งคนอื่นให้มาช่วยเปลี่ยนชีวิตเราในทางให้มันดีขึ้นนะแต่เราจะเป็นคนที่มีความเพียรมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองแหละในทางที่ดีนะไม่งอมืองอเท้าไม่รอให้ใครช่วยแต่เราจะเป็นคนที่ช่วยตัวเองก่อนในการที่เปลี่ยนชีวิตเรา ในทางที่ดีก็คือการการกระทําของในชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเองอันนี้คือเนี่ยถ้เราปฏิบัติทําเรนะื่อยๆเนาะอันเนี้ยก็จะทาให้มันจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยของเราในทางที่ถูกนะจะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้นะแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นเป็นคําพูดเป็นการกระทําที่เป็นที่เป็นสัมมารหรือว่าเป็นในทางที่ควรมากขึ้น น่าก็น่าก็ฝากไว้ในชาวนี้